เรื่องกรถินดอกด้วยมาติกา8ข้อส1 0ริกษุทั้งหลายกระถินย่อมเป็นอันดอได้อย่างไรภิกษุทั้งหลา ย, ย, ม, ย, าลายมาติกาแห่งการดอกกรถินมี8ข้อคือ 1. นําหนดด้วยหลีกไป 2. กําหนดด้วยทำจีวรเสร็จ 3. กําหนดด้วยตกลงใจ 4. กำหนดด้วยผ้าเสียหาย 5. ากำหนดด้วยได้ทราบข่าว 6. ก, กำหนดด้วยสิ้นหวัง 7. กำหนดด้วยล่วงเขต 8. กำหนดด้วยเดาะพร้อมกัน